อรัชีนิสัยวัตถุว่าด้วยการให้นิสัยแก่ภิกษุอรัชีเรื่องทรงห้ามการให้นิสัยแก่ภิกษุอรัชีี120สมัยนั้นพวกภิกษุชาวพัคีให้นิสัยแก่พวกภิกษอุอรัชีภิกษุทั้งหลายจึงปราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทงารงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงให้นิสัยแก่พวกภิกษุอรัชี รูปใดให้ต้องอาบัตทุกกฎ